สามสุดตสาธนปริหานิว่าด้วยการอ้างพระสูตรในเรื่องความเสื่อม 265. กสิกวาธีพระอรหันเตเสื่อมจากอารหัตตผลได้ใช่ไหมประวาธีใช่สกวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปฏิปทาที่พระสมณะประกาศแล้วมีทั้งสูงและต่ำมุนีผู้ปฏิบัติจะไปถึงฝั่งถึงสองครั้งหาไม่ได้ ฝั่งนี้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ครั้งเดียวก็หามิได้มีอยู่จริงมิเชฟหรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าพระอาหารหันต์เตื่นจากอารหันตผลได้สกวาทีพระอาหารหันต์เตื่นจากอารหันตผลได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีกิเรตสวัต ที่พระอระหันตัดได้แล้วยังมีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกิเลสสวัสที่พระอระหันตัดได้แล้วยังมีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีกใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าท่านเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นไม่มีกิจที่ ต้องทำกิเลสสวัสิ์ท่านตัดแล้วไม่มีที่จะต้องตัดอีกห่วงน้ำและบ่วงท่านถอนได้แล้วมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ากิเลสสวัสดิที่พระอรหันตัดแล้วยังมีบางอย่างที่ยังจะต้องตัดอีก266สกวาที พระอาหารหันต์เตือมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกิจที่ทำแล้วต้องสังสมอีกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกิจที่ทำแล้วต้องสังสมอีกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุผู้มีจิตสงบประงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสังสมกิจที่ทาแล้ว ทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกผู้เขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธพภะและธรรมอารมณ์ทั้งมวลทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิฐารมณ์ยอมทำจิตของผู้คงที่ให้วันไหวไม่ได้ฉะนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่วันไหวไม่ก่อเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไร เพราะท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นมีอยู่จริงมิเช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ากิจที่ทำแล้วต้องสั่งสมอีกมีอยู่สองท่านไม่ยอมรับว่าพระอระหันต์เสื่อมจากอาหารตผลได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาที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 ภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ยอมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นสมยวิมุตต์มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นพระอรหันจึงเสื่อมจากอรหั ต, ตผลได้สกวาทีความเป็นผู้ชอบการงานของพระอรหันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีความเป็นผู้ชอบการงานของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีราคะกามราคะกามราค ะ, าราคะปริยุท ธ, ธานกามราคะสังโยชนกามโมคะกามโยคะกามฉันทานิบอนของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีความเป็นผู้ชอบการพูดคุยความเป็นผู้ชอบการนอนหลับความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ของพระอรหันมีอยู่ใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยห UM. มู่ของพระอรหันมีอยู่ใช่ไหมปรวาธีใช<ส>่สกวาทีราคะกามราคะกามราคะปริยุทธาน กามราคะสังโยชน์กามโมคะกามโยคะกามฉันทนิวรของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมป ર วาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น268สกวาทีพระอรหันต์เตื่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมป ર วาทีใช่สกวาทีพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอารหัตผลถูกอะไรกลุ้มลุมจึงเสือ่อม ปรวาทีถูกราคะกลุ่มรุมจึงเสื่อมสกวาทีความกลุ่มรุมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรปรวาทีเกิดขึ้นเพราะอาศัยอนุใสสกวาทีอนุัยของพระอาราหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนุสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที กามราคานุสัยปฏิคานุสัยคานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยภวะราคานุสัยและอวิชานุษยัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอรหันต์เมื่อเสื่อมจากอรหัตผลถูกอะไรกลุ่มรุมจึงเสื่อมประวาทีถูกโทษสกุ่มรุมจึงเสือาาเส่อมถูกโมหะ กลุ่มรุมจึงเสื่อมสกวาทีความกลุ่มรุมเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรปราวาทีเกิดขึ้นเพราะอาศัยอนุใสสกวาทีอนุัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนุัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกามาราคานุใส อวิจชาหนุสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตตผลอะไรก่อตัวขึ้นปรวาทีราคะก่อตัวขึ้นสกวาทีส ก, กายาิติ ก่อตัวขึ้นวิจิกิจฉาก่อตัวขึ้นศีลพตะปรามาตก่อตัวขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อพระอรหันต์เตื่มจากอรหัตผลอะไรก่อตัวขึ้นปรวาทีโทสะก่อตัวขึ้นสกวาทีเมื่อพระอรหันต์เตื่มจากอรหัตผลอะไรก่อตัวขึ้นปรวาทีโมหะก่อตัวขึ้น สกาวาทีสกายทิฐิก่อตัวขึ้นวิจิกิจฉาก่อตัวขึ้นศีละพะัตปรามาต์ก่อตัวขึ้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีพระอรหันเตี่อมจากอารหัตผลได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีพระอรหันยังสะสมจุติและปฏิตนทิอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีพระอรหันไม่สะสมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันยังละอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันยังยึดมั่นอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีพระอรหันยังกำจัดอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีพระอรหันยังก่ออยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันยังทำลายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันยังปรับปรุงอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอรหันยังสะสมอยู่ก็มิใช่ไม่สะสมอยู่ก็มิใช่ เป็นผู้ไม่สะสมแล้วจึงดำรงอยู่มิใช่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาทีหากพระอรหันยังสะสมอยู่ก็มิใช่ไม่สะสมอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ไม่สะสมแล้วจึงดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีพระอรหันยังละอยู่ก็มิใช่ยึดมั่นอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ละได้แล้วจึงดำรงอยู่ มิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันยังละอยู่ก็มิใช่ยึดมั่นอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ละได้แล้วจึงดำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีพระอรหันยังกําจัดอยู่ก็มิใช่ก่ออยู่ก็มิใช่เป็นผู้กําจัดแล้วจึงดำรงอยู่มิใช่หรือ ประวาทีใช่สกวาทีหากพระอรหันยังกําจัดอยู่ก็มิใช่ก่ออยู่ก็มิใช่เป็นผู้กําจัดจึงดํารงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันเถื่อมจากอรหัตผลได้สกวาทีพระอรหันยังทําลายอยู่ก็มิใช่ปรับปรุงอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ทําลายแล้วจึงดํารงอยู่มิเทหรือประวาที ใช่สกวาทีหากพระอรหันยังทำลายอยู่ก็มิใช่ปรับปรุงอยู่ก็มิใช่เป็นผู้ทำลายแล้วถึงนำรงอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระอรหันเตื่อมจากอารหัตผลได้ปริหารนิกขถาจบสามองเล็บกรอบพระมจริยกถาว่าด้วยพรหมจันทร์หนึ่งหนึ่ง สุธะพรหมจริยกถาว่าด้วยพรหมจรรย์ล้วน 269. กสกวาธีในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาธีใช่สกวาธีเทวดาทั้งหลายเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เดียงสาใช้ภาษาใบไม่สามารถจะรู้ความหมายของคำที่กล่าวดีวหรือชั่วได้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 ไม่ควรที่จะก้าวลงสู่นิยามอันถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอระหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตท่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามรมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพลอเจอ้อมากไปด้วยอภิชามีจิตคิดพยาบาท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 ไม่ทำลายสง์ให้แตกกันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จไม่พูดส้อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้มากไปด้วยอภิชาไม่มีจิตคิดพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิมีอยู่ไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากเทวดาทั้งหลายเป็นผู้ไม่โง่เขามีปัญญารู้เดียงสา ไม่ใช่ภาษาใบาสามารถรู้ความหมายของคำที่กล่าวดีหรือชั่วได้เลื่อมใสในพระพุทธเจา้าเป็นสัมมาทิฏฐิมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สองอเจสประวาทีในหมู่เทวดามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาที ในหมู่เทวดานั้นมีการบรรพชาการปลงผมการครองผ้ากาสาวพัดการทรงบาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงอุบัติได้พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติได้คู่พระอัครสาวกก็อุบัติได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดา จึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีในที่ที่มีการบรรพชาเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการบรรพชาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในที่ที่มีการบรรพชาเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในที่ที่ไม่มีการบรรพชาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผู้ที่บรรพชาเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่ไม่ได้บรรพาชาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่เทวดาไม่มีการปลงผมเพราะเหตุนั้น ในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในที่ที่มีการปรงผมเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการปรงผมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในที่ที่มีการปรงผมเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในที่ที่ไม่มีการปลงผมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเฉพาะผู้ที่ปลงผมเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ที่ไม่ปลงผมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่เทวดาไม่มีการคลองผ้ากาสาวพัดเพราะเหตุนั้น ในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤืชพรหมจริยใช่ไหมประวาตีใช่สกาวาทีในที่ที่มีการครองผ้ากาสาวพัดเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจริยในที่ที่ไม่มีการคลองผ้ากาสาวพัดไม่มีการอยู่ประพืชพรหมจริยใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาที ในที e ate, feet, no you no you ่ที่มีการครองผ้ากาสาวพัดเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤืชพรหมจรรย์ในที่ที่ไม่มีการครองผ้ากาสาวพัดไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีผู้ที่ครองผ้ากาสาวพัดเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤืชพรหมจรรย์ผู้ที่ไม่ครองผ้ากาสาวพัดไม่มีการอยู่ประพฤืชพรหมจรรย์ใช่ไหม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 ทรงประกาศธรรมจักรที่กรุงพารานสีในที่นั้นเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่อื่นไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสั ก, กะวะทีพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติในหมู่เทวดาเพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีใช่ สกวาทีในที่ที่พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในที่ที่พระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่พระปเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติ ไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติในมัดชิมชนบทในมัชชิมชนบทนั้นเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่อื่นไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคู่พระอักสาวกไม่อุบัติ ในหมู่เทวดาเพราะเหตุนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤิพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีในที่ที่คู่พระอัครสาวกอุบัติเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤิพรหมจรรย์ในที่ที่คู่พระอัครสาวกไม่อุบัติไม่มีการอยู่ประพฤิพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที ในที่ที่คู่พระอัครสาวกอุบัติเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่คู่พระอัครสาวกไม่อุบัติไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีในมคตรัฐซึ่งเป็นที่อุบัติของคู่พระอัครสาวกเท่านั้นจึงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่อื่น ไม่มีการอยู่ประพุทธพรหมจันทร์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น271ประวาทีในหมู่เทวดามีการอยู่ประพฤติพรหมจันทร์ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีในหมู่เทวดาทั้งปวงมีการอยู่ประพฤติพรหมจันทร์ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่วาคควอย่างนั้น สกวาทีในหมู่มนุษย์มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในหมู่มนุษย์ทั้งปวงมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีในหมู่เทวดามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีใช่ ประวาทีในหมู่อสัญญาสัตตพรมมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่มนุษย์มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไห ม, ไ ม, รห ม, ม, มรประวาทีใช่ใชสกวาทีในชาวปัจจันชนบทที่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปไม่ถึงและในพวกมิลัขะผู้ไม่รู้เรียงสา มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีในหมู่เทวดามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีที่มีก็มีที่ไม่มีก็มีประวาทีในหมู่อสัญญาสัตยพรมที่มีการอยู่ประพฤติพรมหมจรรย์ก็ ม, ท ม, ม, กมีที่ไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีและในหมู่สัญญาสัตตพรม ที่มีการอย hmm ู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีที่ไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีในมูเทวดาที่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีที่ไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีที่ไหนมีที่ไหนไม่มีสกวาที ในหมู่อสัญญาสัตยพรมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ในหมู่สัญญาสัตยพรมมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ปรวาทีในหมู่อสัญญาสัตยพรมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีในหมู่สัญญาสัตยพรมไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ประวาทีในหมู่สัญญสัตตพรมมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีในหมู่อสัญญสัตตพรมมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในหมู่มนุษย์มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม <carbon ate> ญญรประวาทีที่มีก็มีที่ไม่มีก็ก ม, มี <arten> สกวาทีในชาวปัจจันจชนบทที่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปไม่ถึงและในพวกมิลักขะผู้เมรู้เรียงสามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่มีก็มีในชาวมัชชิมชนบทมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่มีก็มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีในหมู่มนุษย์มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่มีก็มีใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีที่ไหนมีที่ไหนไม่มีประวาทีในชาวปัจจันตชนบทที่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาจกอุบาสิกาไปไม่ถึงและในพวกมีลักขะผู้ไม่รู้เรียงสาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในชาวมัตชิมชนบทมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สกวาทีในชาวปัจจันตะชนบทที่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปไม่ถึงและในพวกมีลักขะผู้ไม่รู้เรียงสาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีในชาวมัตชิมชนบทไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีในชาวมัชชิมชนบทมีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีในชาวปัจจันตชนบทที่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปไม่ถึงและในพวกมิลักขะผู้ไม่รู้เดียงสามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ประวาทีในหมู่เทวดามีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ประวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปเหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและเทวดาชันดาวดึงด้วยฐานะสามประการคือ 1. เป็นผู้แกล้กลสอง เป็นผู้มีสติ 3. เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในชมพูทวีปนี้มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีดังนั้นในหมู่เทวดาจึงไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สกวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสที่กรุงสาวัตถีว่าณนะที่นี้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มีแต่ในกรุงสาวัตถีเท่านั้นในที่อื่นไม่มีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น272สสกวาทีอนาคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูง5ประการไม่ได้ เมื่อจตีจากโรคนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุดทาวาสนั้นอรหัตผลเกิดขึ้นได้ณนะที่ไหนประวาทีในชั้นสุดทาวาสนั้นนั่นเองสกวาทีหากอนาคามีบุคคนละสังโยชน์เบื้องต่ำหประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูง5ประการไม่ได้ เมื่อจุตีจากโลกนี้แล้วไปปฏิตนธิในชั้นสุดทาวาสนั้นอรหัตผลเกิดขึ้นได้ในที่นั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สักวาทีอนาคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูงหประการไม่ได้เมื่อจุตีจากโลกนี้แล้วไปปฏิตนธิในชั้นสุดทาวาสนั้น การปรองภาระการกําหนดรู้ทุก์การละกิเลสการทําให้แจ้งนิโรธการแทงตลอดอกุปปธรรมมีณที่ไหนประวาทีในชั้นสุทธาวาตนั้นนั่นเองสกวาทีสกวาทีหากอนาคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูง5ประการไม่ได้ เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุทาวาสนั้นการแทงตลอดอากุปรธรรมมีในที่นั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์สกวาทีอนาคามีบุคคลละสังโยชน์เบื้องต่ำหประการได้แล้วแต่ยังละสังโยชน์เบื้องสูงหประการไม่ได้เมื่อจุติจากโลกนี้แล้วไปปฏิสนธิในชั้นสุทาวาสนั้น การเกิดขึ้นแห่งอรหัตผลการปรงภาระการกำหนดรู้ทุกการละกิเลสการทำให้แจ้งนิโรธการแทงตลอดอกุปปธรรมก็มีในที่นั้นเพราะเหตุไบรท่านจึงยอมรับว่าในหมู่เทวดาไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประวาทีเพราะว่าอนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลได้ในชั้นสุดทาวาสนั้นด้วยมัก ที่ตนได้เจริญแล้วในโลกนี้สุทธปรมัจจริยกถาจบ 2. ส, สังสันธนะพรหมจริยกถาว่าด้วยการเทียบเคียงพระอริยบุคคลในเรื่องปรมจรรันทร์สองรอยเจ็ดสิบสาสกวาทีอนาคามีบุคคลทําให้แจ้งผลในชั้นสุทธาวาตนั้นด้วยมัติที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมประวาที ใช่สกวาทีโสดาบันบุคคลทําให้แจ้งผลในโลกนี้ด้วยมักที่ตนเจริญแล้วในพรหมโลกนั้นใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคามีบุคคลทําให้แจ้งผลในชั้นสุทธาวาตนั้นด้วยมักที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีสกทาคามีบุคคล ผู้ที่จะปรินิพพานในโลกนี้ทาให้แจ้งผลในโลกนี้โดยมักที่ตนเจริญแล้วในชั้นทุธาวาสนั้นใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดาบันบุคคลทำให้แจ้งผลในโลกนี้ได้ด้วยมักที่ตนได้เจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาที อนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลในชั้นสุดทาวาตนั้นด้วยมักที่ตนจเจริญแล้วในชั้นสุดทาวาดนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกทาคามีบุคคลผู้ที่จะปรินิพานในโลกนี้ทำให้แจ้งผลในโลกนี้ด้วยมักที่ตนจเจริญแล้วในโลกนี้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที อนาคามีบุคคลทำให้แจ้งผลในชั้นสุดทธาวาตนนด้วยมัทที่ตนเจริญแล้วในชั้นสุทธาวาดนั้นใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีบุคคลผู้ละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จเจริญมัทแต่ไม่ใช่ละกิเลสใช่ไหมปราวาทีใช่สกาวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพัน จเจริญมรรคแต่มิใช่ละกิเลสใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีบุคคลผ <eremos> ู <Hi> ้ละโลกนี้แล้วจึงสำเร็จเจริญมรรคแต่มิใช่ละกิเลสใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลเจริญมรรคแต่มิใช่ละกิเลสใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพน์เจริญมรรคและละกิเลสได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ละโลกนี้แล้วจึงสําเร็จเจริญมรรคและละกิเลสได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลจเจริญมรรคและละกิเลสได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีบุคคลผู้ละโลกนี้แล้วจึงสําเร็ จ, จเจริญมรรคและละกิเลสได้ไม่ก่อนไม่หลังกันใช่ไหมประวาติไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาที อาาคามีบุคคลทำกิจที่ควรทำแล้วเจริญภาวนาแล้วจึงเกิดในชั้นสุทาวาตนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระอรหันยังเกิดอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาตีพระอรหันยังเกิดอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีพระอรหันมีการเกิดขึ้นอีกใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระอาหารหันต์มีการเกิดอีกใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระอาหารหันต์ออกจากพบไปสู่พบจากคติไปสู่คติจากสงสารไปสู่สงสารจากการเกิดไปสู่การเกิดใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนณาคามีบุคคลทำกิจที่ควรทำแล้ว จเจริญภาวนาแล้วยังไม่ปรงภาระเกิดในชั้นสุทธาวาตนั้นใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีท่านยังจเจริญมากอีกเพื่อปรงภาระใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคามีบุคคลทํากิจที่ควรทําแล้วจเจริญภาวนาแล้วแต่ยังไม่กําหนดรู้ทุกยังละกิเลสไม่ได้ยังไม่ทําให้แจ้งนิโรธ ยังไม่แทงตลอดอกุปธรรมไปเกิดในชั้นสุดทาวาสนั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านยังจเจริญมรรคอีกเพื่อแทงตลอดอกุปธรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคามีบุคคลทํากิจที่ควรทําแล้วจเจริญภาวนาแล้วแต่ยังไม่โปร่งภาระไปเกิดในชั้นสุดทาวาสนั้น และจะไม่เจริญมรรคอีกเพื่อปรงพาระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอ น, นึ่งท่านยังไม่ปรงพาระปรินิพพานในชั้นสุทธาวาดนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคามีบุคคลทำกิจที่ควรทำแล้วเจริญภาวนาแล้วแต่ยังไม่กำหนดรู้ทุกยังละกิเลสไม่ได้ยังไม่ทำให้แจ้งนิโรธ ยังไม่แทงตลอดอกุปรธรรมไปเกิดในชั้นสุทาวาตนั้นและไม่เจริญมรรคอีกเพื่อแทงตลอดอกุปรธรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอันนึ่งท่านยังไม่แทงตลอดอกุปรธรรมปรินิ พ, พานในชั้นสุทาวาดนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีเนื้อที่ถูกยิงได้ลูกสอ แม้จะไปได้ไกลก็ย่อมตายฉันใดอนาคามีบุคคลทําให้แจ้งผลในชั้นสุดทาวาสนั้นด้วยมักที่ตนจเจริญแล้วในโลกนี้ก็ฉนั้นเหมือนกันสกาวาทีเนื้อที่ถูกยิงด้วยลูกศรแม้จะไปได้ไกลก็ตายทั้งที่มีลูกศรติดอยู่นั้นเองฉันใดอนาคารมีบุคคลปรินิพพานในชั้นสุดทาวาสนั้นทั้งที่ยังมีลูกศร คือมรติดอยู่นั่นเองด้วยมรที่ตนเจริญแล้วในโลกนี้ฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นพรมมะมจริยกถาจบ